อ, อความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะได้พูดเรื่องพยะเพราสูตรในช่วงต่อไปวันก่อนได้กล่าวมาถึงนิเทศแห่งปุเพนิวาสานติยานเป็นพระพุทธธรรมรัตน์เล่าแก่ท่านชานุโสโณีพราม ถึงประยานที่เกิดปุดขึ้นภายในพระไถยของพระองค์เมื่อสภาพพระไถยที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติพัฒนาจิตหรือถ้ถ า, เาเรียกในปัจจุบันก็คือเป็นศีลสมาธิปัญญาสภาพจิตในขณะนั้นรักสั่งว่าเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพ้ว ไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้น้อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายจุติก็คือการตายอุบัติก็คือการเกิดว่ามันมาจากเหตุอะไร แล้วทำไมจึงได้แตกต่างกันจากนั้นพยานก็เกิดผุดขึ้นภายในพระไัยของพระองค์รับสั่งเล่าว่าเรานั้นเห็นหมูเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากเป็นต้นนะ ด้วยทิประจกักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจกักษุของมนุษย์อันนี้คือเครื่องมือเราจึงว่าเครื่องมือนี้มีความสําคัญคือถ้าขาดเครื่องมือแล้วการรู้เห็นอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้คล้ายๆกับการจะรู้เห็นรูปลักษณ์ของจุลินทรีย์เล็กๆเชื้อแบรียเล็กๆ โดยปราศจากกล้องจุลทัศน์กล้องอิเล็กตรอนไมโครโสโคปซึ่งเป็นกล้องสำหรับส่องดูสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็ดูไม่ได้ในทํานองเดียวกันระบบสุรยิยะจักรวาลที่สลับซับซ้อนหากว่าปราศจากกล้องโทรทัศน์ก็จะเห็นไม่ได้การเห็นเหตุ เห็นลักษณะเห็นอาการเห็นผลของชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกการเกิดการตายหมายความว่าจุดติการตายนีย่ตายด้วยจิตยังไงเกิดทีเดดรรดรร่เกิดด้วยกรรมอะไรหมายความว่าตายด้วยกรรมอะไรเกิดด้วยกรรมอะไรบางนั้นเราก็พบการจำแนกตามคากราบทูลถามของคน ที่ได้ทรงแสดงไว้ในจุลกขมะวิพังกสุเป็นการรับสั่งตอบคำถามของท่านสุภมานุปถามด้วยงความแตกต่างที่เกิดขึ้นแก่คนตั้งแต่เกิดก็หลายลักษณะด้วยกันรับสั่งตอบตามคำถามคือถามเรื่องอะไรก็ตอบเรื่องนั้น พระในกรณีนี้ทรงยกตัวอย่างว่าเรานั้นเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติคือในขณะที่จุติในขณะที่อุบัติเนี่ยซึ่งมันแตกต่างกันตั้งแต่ขณะนั้นมีเรวบ้างมีประณีตบ้างเช่นว่าเกิดเป็นในอบายก็ถือว่าเร็วเป็นนรกบ้าง เป็นเปรตบ้างเป็นสัตติริษานบ้างเป็นดัศรกายบ้างหรือเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็มีหยาบกลางละเอียดที่แตกต่างกันเกิดเป็นเทวดาก็มีหยาบกลางละเอียดแตกต่างกันในรายละเอียดเนี่ยแม้แต่พี่น้องท้องเดียวกันก็มีหยาบกลางละเอียดที่แตกต่างกันในคุณสมบัติส่วนตัวเฉพาะคน ก็มีความแตกต่างกันเช่นบางคนรูปร่างหน้าตาดีแต่ว่าจิตใจโหดเที่ยมทารุณบางคนรูปร่างหน้าตาไม่ดีแต่ว่าจิตใจมีความสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลแต่ในขณะเดียวกันบางคนรูปร่างหน้าตาคนดีคุณธรรมก็สูงสติปัญญาก็ดี บางคนรูปร่างหน้าตาดีสติปัญญาดีแต่คุณธรรมต่ำหรือบางทีรูปร่างไม่ดีสติปัญญาดีคุณธรรมดีล้วจะหาความสมบูรณ์สุดๆจริงๆก็ยากก็อย่างสุภาษิตของอรยันโบราณนะ ก, กล่าวว่า เทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งความดีเทพเจ้าแห่งปัญญาจะไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันคนใดที่เทพเจ้าทั้งสามสถิตร่วมกันได้คนนั้นก็ชื่อว่าเป็นยอดคนเพราะในกรณีเหล่านี้ก็ทรงจำแนกแสดงยกตัวอย่างใ น, รรงนยุรักรมภิพังสุด เช่นมาทำไมคนเราเกิดมาอายุสั้นอายุยืนอายุสั้นอายุยืนนั่นเป็นผลแต่ก็ถามว่าอะไรคือเหตุเหตุที่ให้อายุสั้นก็คือปานาติบาตเคยฆ่ า, เ ค, คาเคยตัดรอนชีวิตบุคคลอื่นมาอายุยืนก็เพราะงดเว้นจากปาณาติบาแล้วทำไมมีโรคน้อยมีโรคมากคนที่มีโรคน้อยก็เพราะไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ คนมีโรคมากก็เพราะเกิดเบียดเบียนสัตว์มาเอาทำไมสกุลสูงสกุลต่ำสกุลสูงก็เพราะมีสมาคาระวะสกุลต่ำก็เพราะดูถูกหยาดจามดูหมิ่นบุคคลอื่นเรือาจะเพราะเป็นเพราะริษยาบุคคลนั้นทำไมพิพันธ์ดีพิพันธ์ไม่ดีพิพันธ์ดีเพราะใจมีเมตตาพิพันธ์ไม่ดีเพราะมีโทสะมาก ทำไมมั่งคั่งร่ารวยยากจนคนที่ร่ํารวยก็เพราะว่าเคยให้ทานมาในการก่อนคนที่ยากจนก็เพราะว่าเจนอีถีเนียวทําไมสติปัญญาดีสติปัญญาพม่ดีสติปัญญาดีเพราะว่าในชาติปางก่อนนั้นผ่านการศึกษาอบรมมาดีคนที่สติปัญญาอ่อนร่อยก็เพราะว่าตกเป็นทาสของสิ่งเสียดสีให้โทษทั้งหลายเป็นต้นนะครับ แต่อุเทศของยุตูปปาติยานหรือทิพยจักรสุยานตรงนี้เรียกได้สองอย่างนะครับคือบางทีก็เรียกว่าทิพยจักรุบางทีก็เรียกว่ายุตูปปาติยานแต่ในตรงนี้ทิพยจักรสุเป็นเหตุการจําแนกรายละเอียดของกรรมเป็นผลคือรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่มันแตกต่างกันเพราะกรรมที่แต่และชีวิตได้กระทำเอาไว้ ที่เป็นจักสุที่บริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ถึงก็ทํานองคล้ายๆกับเราเห็นภาพคลื่นแสงที่ส่งมาจากสถานีโทรทัศน์จากเครื่องรับโทรทัศน์เราได้ยินเครื่องเสียงคลื่นเสียงจากที่ส่งมาจากสถานีวิทยุด้วยเครื่องรับวิทยุเพราะอบตัวเราก็มีภาพมีเสียงมีกลิ่นนะได้ไม่หมด แต่เราก็ไม่รู้ในขณะเดียวกันาหาว่ามีเครื่องวิทยุมาเปิดตรงนั้นก็ได้ยินเสียงโทรทัศน์มาเปิดตรงนั้นก็จะเห็นรูปมีเครื่องมาวัดกลิ่นตรงนั้นก็จะได้กลิ่นเขาเรียกเป็นวิสัยไอสิ่งนี้เป็นวิสัยของนี้สิ่งนี้เป็นวิสัยของนี้คล้ายๆกับการเห็นรูปเนี่ยเป็นวิสัยของตาใช้อย่างอื่นดูไม่ได้การได้ยินเสียงเป็นวิสัยของหู ประสาทหูต้องไม่พิการถ้าประสาทหูพิการ อ, าอวัยวะส่วนอื่นมาทํางานแทนไม่ได้การรู้กลิ่นเป็นเรื่องประสาทจมูกถ้าประสาทจมูกเกิดพิการก็ไม่รู้กลิน่นการลิมรสก็เป็นประสาทลิ้นถ้าประสาทลิ้นพิการก็รู้รสไม่ได้การรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งต่างๆที่มากระทบกายก็เกิด ข, ข, ขึ้นมาจากกายประสาทเป็นต้นเนี่ยเพราะจริงๆแล้ว สิ่งที่เรียกว่าเฉพาะกรณีนั้นๆ น, น, น่มันมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของมันผลการเห็นการยุติการอุบัติของสัตว์ทางหลายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีแห่งกรรมเป็นวิสัยแห่งทิฏฐิจักสุปละย่อยเป็นรายละเอียดช่วงย่อยเป็นรายละเอียดเนี่ยท่านเรียกว่าจุตูปปาตยาซึ่งก็เรียกสิ่งเดียวกันนนะฮะแต่เรียกคนละช่วงกัน จักนั้นก็สาวทรงสาวลึกไปถึงสาเหตุสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจิทุจริตมโนทุจริตอันนี้คือสูตรนะฮะที่เคยบอกไว้ว่ามันเป็นทางนรกบางครั้งรับสั่งว่าถูกผรักใสสู่นรกกายทุจริตก็คือประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายต่ อ, ตอคู่ครองของบุคคลอื่น ปจีทุจิตก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดกำหยาบพูดเหลวไหลมโนโทุจริตก็คือโลภอยากได้ของของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากตำนองครองธรรมดิเตียนพระอริยะอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของสัตว์โลกที่มากโดยวิหิงสาคือรู้สึกสะใจที่ได้ด่าคนที่ได้เบียดเบียนคนที่ได้ประทุษร้ายคน ในขณะดเดียวกันตัวเองก็กลัวนะฮะเพรานเราเห็นว่านักเลงอันพานทั้งหลายเนี่ยที่ทำวางมาดใหญ่โตเป็นนักเลงใหญ่เนี่ยวเวลาจะซ้อมคู่ตรงข้ามกับตนเองนี่ให้ลูกน้องช่วยจับมือไว้ไพร่หลังตัวเองจะต่อยในกรณีที่คนอื่นไม่มีทางสู้ระวังอย่าให้มือหลุดนะกลัวจะเจ็บ นั่นคือนิสัยแบบอันภานชอบเบียดเบียนชอบมัดมือชกเขเรียกว่าชอบมัดมือชกทีนี้ทําไมถึงใช้คำว่าติเตียนพระริยเจ้าเพราะว่าการติเตียนพระอริยเจ้านี่แน่นอนวันนรกเขาเรียกาอายุ ป, ประวัตินั่นมีเรื่องที่จะเคยเล่าหรือไม่ก็ไม่ทราบนะ เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชก็นานแล้วนะคงจะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านก็ทำอะไรพิกลพิกลนนะ่ะถ้าเราเทียบยุคแล้วก็ก็ยกใกล้เคียงกับสมเด็จโตนะฮะสมเด็จพระตาจารย์โตท่านชื่อหนู หลวงพ่อหนูจะมาเดินไปไปเจอปลาไปติดอยู่ในน้องแห้งเนี่ยท่านจะลงจับปลาเลยนำไปปล่อยก็ทำอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แปลกคนทั้งหลายนี่พบบ่อยโดยเฉพาะพระพบบ่อยส้ามืดเนี่ยหลวงพ่อยืนถือบาดริมถนนตักบาท บางทีตักสัตว์ทะเลร้อนๆอยู่นะท่าน ท, ที่ท่านอยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองนครบางทีก็ตักผลไม้จากเมืองเหนือจากด้านเหนือจากแถวเพลลานสกาแต่ซึ่งถ้าไปเอามาเนี่ยมันเสียเวลาหลายชั่วโมงสมัยสมัยนั้นนะ่ะปัญหาหลวงพ่อออกมาจากไหนก็ไม่มีใครตอบได้นะ ไม่มีใครคิดไปในแนวที่ว่าท่านจะเป็นพระยะท่านนึกว่าท่านบ้าบอๆบบได้ซ้ำไปต่อมาคราวหนึ่งเนี่ยท่านว่าก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเนี่ยชอบทําเวลามีงานศพที่ไหนเนี่ยเขาสวดตามปกติก็นิมนต์พระสี่รูปเขาเรียกว่าหนึ่งเตียงหลวงพ่อก็จะขึ้นไปสวดด้วย แต่ก็ถวายอะไรไม่รับเลยครับพอสวดเสร็จก็ลงมาพอชุดใหม่มาท่านก็ขึ้นไปสวดด้วยแต่ก็ไม่รับอะไรมันมีคราวหนึ่งที่ทำให้คนทึ่งอัศจรรย์แต่วรู้สึกยำเกรงขึ้นมาก็คือว่าในขณะที่ท่านท่านขึ้นไปสวดแล้วก็ลงมาเนี่ยงานศบตามปกติก็มีคนมอหลาบเยอะนะครับ มีคนกลุ่มหนึ่งก็ไปกลูกันเข้าไปล้อมหลวงพอ่อคล้ายๆแกแกล้งหรืออะไรนี่นะทังความพึกกระนองแบบผลเมาอ่ะก็จับไปท่านนั่งบนครกตําเข้าคือคว่ำครกลงไปก็ไปนั่งบนก็จะก้นครกอะ่ะคนหนึ่งก็จับมือท่านไคลหลังไว้คนหนึ่งก็จับเท้าของท่านคนหนึ่งก็ไปบีไปปากคันอ้า คนนึงก็เล่ากรอกปากกรอกอยู่หน้านะก็เล่าก็ไหลออกเปลืกเกลี่ยไปหมดเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพอแล้วพอแล้ววันนี้ก็ปล่อยแล้วก็กร่ำ ก, กันเ ส, สนาสงสารหลวงพ่อก็ไปที่ไหนไม่รู้เทียนสะจาันก็คือรุ่งขึนเช้าเนี่ยไอ้คนที่กรอกเอาเล่ากรอกเนี่ยที่คอเนี่ยมันพองหมดเลยบวมพองหมด คนที่ไปทางปากหลวงพ่อเนี่ยปากขุบไม่ลงคนที่จับเท้าเนี่ยมือเท้าเปน็นนามภาตคนที่จับมือนี่มือเปน็นนามภาตก็ตกใจกันก็ติดตามหาหลวงพ่อก็ก็ไม่เจอนะต่อมาคนก็ไปพบหลวงพ่อนอนอยู่มีไม้วางไว้คื อ, เ, อเชิงตะกอสมัยโบราณมันก็ปักไม้สี่เสา แล้วไม้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้สด ว, วางแล้วก็สบศพวางเอาลงวางนะแล้วก็ไม้วางทับลงไปแล้วก็จุดไฟท่านก็ไปวางไว้งั้นแหละเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้วางทับข้างบนนะนะฮะวางเฉพาะไม้ที่นอนตายแล้วโดยศพไม่ได้หมินอะไรเลยในการต่อมาเนี่ยจึงมีการซุบซิบกันว่าหลวงพ่อหนูนี่น่าจะเป็นพระยาบุคคล เพราะว่าบาปรกรรมไม่น่าจะสนองเร็วขนาดนั้นมันไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงนะนะทำไมมันเกิดผลเร็วขนาดนั้นแต่ทาไมโลกชอบด่าสมณาพระไปลองสังเกตว่าแม้แต่รายการเนี่ยรายการวันจันทร์เนี่ยจะด่าพระอยู่เรื่อเยเพราะว่าพระพวกเดียวที่ด่าได้สบายคือไม่มีใครโต้อตอบ แล้วความคิดเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันคือดาว่าสัมปนาจีพราหมณ์เนี่ยเป็นนิสัยของคนที่ชอบรังแกเบียดเบียนคนอื่นมันสะใจที่ได้ดา่าแสดงว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากเลยด่ดานี่คนไม่โต้ตอบยิ่งใหญ่มากคือคนบาปเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้น ท่านเล่าไว้เนี่ยแต่กถาว่ามีคนคนหนึ่งเรียนศินละปะการดีดกลวดก็ต้องการจะทดลองทดลองมาตลอดเลยของที่อยู่นิ่งๆของที่เคลื่อนไหวสัตว์ที่เคลื่อนไหวที่ยังไม่ได้ทดลองเนี่ยคือคนไม่กล้าดีดใส่คนเพราะว่ากลัวจะโดนโต้อตอบก็ถือว่ายังไม่สำเร็จนะต่อมาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าต้องดีดคนด้วย แกก็เห็นพระปัเจ้าพุทธเจ้านะไปนั่งสมาธิอยู่เลยนึกเออสมณะเนี่ยไม่มีเจ้าของคือไม่มีญาติพี่น้องไม่มีครอบครัวไม่มีใครดูแลดีดแล้วตัวเองก็ไม่เป็นอันตรายแล้วเลยดีดเลยดีดเข้าตาท่านบอดเดี๋ยแล้วตัวเองก็ตาบอดไอ้นั้นคือธรรมชาติของสัตว์โลกผลบัพรารรรมแห่งนรกข้อหนึ่งก็คือ ดาว่าพระอริยเจ้าดิเตียนพระอริยปิติเตยนพระริยะผลตามปกติแล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยเสี่ยงกับพระเพราะเราไม่รู้คุณธรรมของท่านเพราะท่านมีคุณธรรมเป็นยังไงอะเราก็ตอบไปได้คือถ้าเราอ่านประวัติสมเด็จพระพุทธเจย์โตวัดระฆังนะนะและมาเคยอ่านสมัยเป็นเนร เ, เนี่ยมันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาใช้ว่า ท่านไม่ค่อยเต็มเต็งเขาใช่ครับอย่างนั้นเราก็สงสัยนะว่าทําไมหลวงพ่อดังกันมาขนาดนี้ทําไมคนยังพูดว่าท่านไม่ค่อยเต็มเต็งแล้วในการต่อมาคํานี้ก็หายไปเพราคนเริ่มสนหนักว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาพร ะ, ะเจ้านี่ยท่านไม่ยึดมั่นถึงมั่นเลยคือพระจ้ว่ายังไงท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร ท่านนายโตตอบท่านนวยเบียดเบียนนะสมโนโคติปรังเวทายันโตนาหิปป จ, จิตโตป ร, รูปกาติสมโนโคติปรังวเวทตยันโตผู้ค่าเสษสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบันปชิตไม่ชื่อว่าสมณะเพื่อนคนก็แน่ใจนะว่าสมณะเนี่ยเขาไม่เบียดเบียนก็เลยทําอะไรสาแก่ใจคือน้ำใจหรือ ว, ว่าสะใจสังคมไทยเป็นสังคมพุทธแท้ๆนะฮะ เวลาตั้งวงคุยวงเล่าเนี่ยอดจะนินทาพราะไม่ได้มีนิทานตาเถนยาชีเยอะมากในสังคมไทยเนี่ยนี่คือคือคือธรรมชาติของสัตว์โลกกมุนาวัตตีโลโกโ น, นะสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมของเขาก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดที่แรงแรงระดับแรงมากๆเนี่ย เขานิยตะไม่ชาิทิฏฐิเห็นว่าอกิราติทิฏฐิคือการกระทำไม่เป็นการกระทำดีก็ไม่เป็นการกระทำไม่ดีก็ไม่เป็นการกระทำกลางกลางก็ไม่เป็นการกระทำอเยตุกาทิฏฐิถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุแล้วก็นัติกาทิฏฐิไม่มีบุญไม่มีบาไอพวกไม่มีเนี่ยมาขยายออกไป ขยายออกไปถึงว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีศรัพย์ที่ทำดีทําชั่วไม่มีผลถ้าที่ตายแล้วเกิดไม่มีทันที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามไม่มีนะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันประการไปเศษกรรมอยู่สี่ข้อ การให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลการกระทําดีทําชั่วไม่มีผลก็แสดงปฏิเสธกรรมแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคนโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีปฏิเสธสังสารวัตรเห็นนะฮะมาปัททกายานสองข้อนี้พอดีเลยก็แสดงปฏิเสธญาณไปเสดความรู้ระดับญาณอวดดีไม่ใช่เล่นนะฮะคนที่ปไปเสดความรู้ระดับญาณเนี่ย โดยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ตัวเองไปเสดคืออะไรจะรู้เห็นสิ่งนั้นด้วยอะไรแต่ไปเสษแล้วมันพูดง่ายนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่ารรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากคือพูดง่ายเฮ้ย hey, นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำดีทำชั่วไม่มีผลอ่ะคืนต้นงิ้วพริไปต้นขนนผิดเมีท่านได้บุญทั้งโลกขนนก็ได้กินเผลนดีนะพูดง่าย ทำสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันสบายดีไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่ว่ามีทุกข์เป็นไม่ปากไปเสร็จไม่ได้หรอกเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่ที่ว่าแล้วบางครั้งเนี่ยคือทิฏฐิในมันเยอะไม่ใช่ทิฏฐิเป็นเดเช่นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีบอันนั้นสิระอันนั้นชี้ันอื่นเซระอันอื่น สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกอก็มีไม่เกิดอีกอก็ ม, มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้เป็นรุนหวากันไปเยอะแต่และอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็ยึดถืออย่างนั้นแล้วก็ทําอย่างนั้นเพราะเราเห็นว่าถ้าไปเสดในลักษณะนั้นคนเหล่านี้จะไม่ละชั่วประพฤติดี เพราะทำชั่วก็ไม่มีผลนะทําดีก็ไม่มีผลก็ไม่รู้ทันใหมเห็นไหมอันตรายมากเลยเพราะมันจะไปเชื่อมโยงที่กรรมและจากกรรมเนี่ยมันไปเชื่อมโยงสังสารวัตรจะสังสารวัตรเน่ไม่เชื่อมโยงนิพพานเลเพราะเมื่อคนไม่ทํากรรมดีก็ไม่ได้สร้างบารมีไม่สร้างบารมีก็ห่างไกลสวรรค์ห่างไกลนิพพานไปได้่อยๆเลยนิดเดียวเท่นั้นเองนะความคิดนิดเดียวเท่านั้นเองอันตรายใหญ่โตมหาศาล เราสังเกตว่าไม่ชาทิฏฐิบุคคลเกิดขึ้นในโลกเพียงคนเดียวนะมันปูนโลกเสียให้ไม่สงบเลยแต่เราจะตั้งคำถามว่าในโลกนี้ถ้าไม่มีฮิตเลอร์ไม่มีสตาลินไม่มีมุสโสลินนะีพวกที่รุนแรงทั้งหลายเนี่ยประวัติศาสตร์ของโลกจะทิ้งร่องรอยของความรุนแรงการบาดเจ็บล้นตายความสูญเสียการพลาดพราความกำพร้าต่างๆไวหรือไม่ คนเลานั้นลองถามดูเถอะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญอ่ะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์คนเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเนี่ยชอบพูดเยอะคน เ, เนี้ชอบพูดเยอะและจากจุดตรงนี้ก็รับสั่งเองนะว่าเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอาบายทุกติบินิบาทนารกอันนี้คือกฎขั้กำห ตอนนี้อย่าลืมว่าเป็นช่วงกฎของกรรมแต่ว่าตัวตรงนี้มันคือสังสารวัตรเพราะตายไปเกิดในทุกติบินิบนัติและรกปสุรกายเนี่ยมันก็กลายเป็นการเลื่อนไหลไปในกระแสของสังสารวัตรผลยานข้อที่หนึ่งที่สองเาก็เชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เป็นปัจจัยของกันและกันทีนี้ถ้าดำรงอยู่ในสุจริตเนี่ย กรรมมันจะเข้าสู่กระแสของกุศลพบชาติจะประณีตสังสารวัตรจะประณีตขึ้นมันก็ทําให้กลายนิพพานเกิดไปเรื่อยนะฮะไปเรื่อยๆไปจนถึงพรหมกิเลสก็ส ง, งบจิตใจก็ประณีตขึ้นในสุดก็ตายไปบังเกิดให้พรห ม, มโลกทรงพลิกขึ้นมาอีกด้านหนึ่งว่าส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวิจิตสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระริจ้าเป็นสมาธิติ การสุจริตก็คืออย่างที่เคยบรรยายไว้ในเทปที่มหาวิทยาลัยสีประทุมเผยแผ่นะวิธีแห่งความเป็นมนุษย์คือจิตเจตนาวิรัตงดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตคนอื่นประทุษร้ายทรัพย์สินบุคคลอื่นดวงละมือดคู่ครองคนอื่นกดเว้นจากการพูดเท็จกดเว้นจากการพูดสอเสียดกดเว้นจากการพูดคาหยาบดเว้นจากการพูดเพ่อเจอเรื่ๆ การมาพูดคำสัตย์คำจริงคำส่งเสริมส่งเสริมสมัคคีประสานสมัคคีกระชับสมัคคีคำที่ไพเราะอ่อนหวานคำที่มีสาระประโยชน์จิตดีไม่โลภอยากได้ของกับบุคคลอื่นไม่ได้ถึงหมดโลภนะฮะแต่ไม่โลภอยากได้ของคนเด่นถ้าโลภจะต้องการถ้าปรารถนาก็ใช้ความเพลี่ยนพยามาไม่อาฆาตพยาบาทใครเห็นชอบตามธํานองของธรรม นะอย่างในเรื่องสิบข้อที่ว่าไว้เนี่ยเห็นว่าการกระทำเป็นการกระทำเห็นว่าผลทั้งหลายนั้นเกิดมาจากเหตุเหตุไกลเหตุใกลนะ้นั้นเป็นเหตุแน่นอนแล้วก็เห็นว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพฤติกรรมต่างๆมีผลการทำดีทำชั่วมีผลแม่มีคุณพ่อมีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดมี ท่านได้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นรู้แจ้งตามนั้นนี่นี่ก็กลายเป็นเรื่องสมาธิธิเพราอสมาธิธิมาก็มีความชัดเจนนะฮะชัดเจนว่านี้เป็นเหตุแห่งทางเสื่อมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญมีอุบายวิธีจเจริญนี้ทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจริญบุนคคลเหล่านี้จะไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเพราะติเตียนพระรเจ้ามันเป็นอริยปวาระมันเป็นบาป เป็นบาปรกรรมแล้วก็สนองผลเร็วซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยคนไม่ได้คาดหมายไว้แต่ว่าก็ทําไปแล้วนะทําไปแล้วก็ต้องเกิดผลอย่างเนี้ยอย่างคนสี่คนที่เล่าไว้แกไม่ได้คาดหมายว่าเรื่องมันจะแรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโดยพื้นฐานแกเนี่ยไม่เชื่อเรื่องบาปุลคุณโทษ สังคมพุทธเราีเยอะนะฮะเรื่องเรื่องปงัญหาแล้วนี้จริงๆมันแก้ยากขนาดในยุคสมัยพระพุทธเจ้าเนะี่ยคนที่อยู่ในแวดวงของพระสงฆ์บางคนก็ความผิดๆน่าประาอะไรกัคนที่ยังไม่บวชถึงทุกคนก็ต้องเป็นไปตามกรรมเขาเองทีนี้พอเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นชอบโดยในญาติกล่าวแล้วนะ พระเจ้าทรงสแสดงว่าไอสิประการเนี้ยมีอยู่แท้แทแต่คนบางพวกเห็นว่าไม่มีความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาคิดว่ามีมีกันคิดก็เป็นมิจฉาสังกัปปะไปพูดว่าไม่มีคำพูดก็เป็นมิจฉาวาจาไป แ, แนะนำคนอื่นให้ถือตามปฏิบัติตามว่ามันไม่มีชื่อว่ามีวาทะเป็นฆ่าศึกต่อประหารทั้งหลายในโลกจะประสบบาปกรรมเป็นนั้นมาก อย่าลืมพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ในปัญญาน้ำพระทยของพระองค์บริสุทธิ์ทรงอนุเคราะห์โลกพุทธเจ้าเป็นโลกาโนกรรมปักกะเพราะสิ่งที่สรงสอนนั้นเป็นประโยชน์มีลักษณะกือกูลและอำนวยความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติตามโดยไม่ต้องสงสัยในเรื่องเหล่านี้ยังนึกชอบใจถึงอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นศัตราจารย์นะต่อมารู้สึ ก, กว่าเป็นอธิการบดี ท่านจบจากเยอรมันแล้วก็ที่อเมริกาก็รู้เรื่องศาสนาอ่านคือพระไตรปิฎกมันเผยแพร่อยู่ที่ยุโรปที่อังกฤษโดยเฉพาะคือพิมพ์ที่อังกฤษเผยแพร่อ ย, อยู่ในยุโรปไปถึงอเมริกานานแล้วนะฮะคือพวกพวกระลังเนี่ยเขารู้จักพระธรรมก่อนพระสงฆ์รู้จักพระพุทธนะฮะแล้วก็รู้จักพระธรรมพระสงฆ์ก็เพิ่งรู้จัก ท่านก็อธิบายข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกก็เจอเรื่องทั้งกรรมทั้งสงสารวัตรเนท่านก็ตอบไปตามตามปรากฏในคำพีแต่ว่าท่านเองไม่เชื่อสงสัยมาถามหลวงพ่อต่างจังหวัดหลวงพ่อบ้านนอกถามมาหลวงพ่อในรกสวรรค์มีจริงเลยคำดีกคำชั่วเนี่ยมีจริงเน่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเออข้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่คงไม่โกหกเรานะ พุทธานั่นตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ท่านก็มุ่งมั่นเชื่อถือตามนั้นคื อ, อยังนึ ก, กว่าคนในโลกเนี่ยไม่มีใครน่าเชื่อถ้าพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดความจริงและทุกคนกล้ายอมรับความจริงไปจนหน้าความจริงเนี่ยพระเจ้าพิสูจนได้บนเส้นทางประวัติของพระองค์สี่สิบห้าปีไม่มีอะไรที่สร้างปัญหาให้แก่โลก คนอื่นพิสูจน์ได้เลยปะอันจริงๆแล้วเราอาจจะพูดได้ว่าไม่มีใครที่จะมีปัญญาสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์และกรุณาเบี่ยมล้นจริงๆทับพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติยกเว้นพระพุทธเจ้าได้กันเพราะถ้าเราไม่เชื่อไ ม, ไม่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะเชื่อใครไม่มีใครน่าเชื่อยิ่งกว่านั้นอีกแล้ว และการเชื่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นการปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงพระองค์รับสั่งว่าเป็นสมาธิิยึดถือการกระทำโดยสามอํานาจสมาธิิอย่างที่บอกนะพอสมาธิิก็สมาธิทั้งกัะป๋าทั้งหมดเนี่ยอริยมรรคอีกเจ็ดข้อเนี่ยจะเกิดตามมาเองตราบใดที่จิตยังเป็นศูนย์หลักเป็นฐานหลักอยู่ที่สมาธิเนี่ย อย่างอื่นทุกข้อจะเป็นสมาธิติตามไปเมื่อมีสมาธิความคิดก็เป็นสมาสังกปะการพูดก็เป็นสมาวาจาการกระทาก็เป็นสมากรรมะการเลี้ยงชีพก็เป็นสมาชีวะความพยายามก็เป็นสมาวยญมาณการตั้งสติก็เป็นสมาสมาธิจิตใจก็จะเป็นสมาสมาธิตอนเมื่อคนเหล่านี้รับสั่งว่าเขาเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ดังนี้ และสูตรตรงนี้เป็นสูตรที่เรียกว่านิปริยายคือลงตัวทุกคนทุกแห่งในละพูดังกรรมทั้งสารวัตรเนี่ยข้อรองสุดท้ายกับข้อสุดท้ายจะเหมือนกันทุกตัว อ, อักษรข้อรองสุดท้ายจะใช้คําบาลีว่าอาซัมมุลพ่อกาลังกโรจิไม่หลงทำกาลกกิยาตาย ข้อสุดท้ายจะบอกว่ากายะสะเพดาประนมันระระมรณาสุกติงสั ก, กังโลกังอุป ป, ปัจติเบื่อหน้าแต่ตายประกายแตกจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์จะเป็นอย่างนั้นทุกทีนั่นเป็นสูตรอะ่ะคือเราจะแก้ไขไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับสูตรอะไรล่ะสูตรอาหารสูตรอะไรอย่างเงี้ยพอสูตรเป็นอย่างนั้นรสชาติเป็นอย่างนั้นกูจะเปลี่ยนสูตรก็แล้วกัน และเป็นสู่รสชาติมันเปลี่ยนบางการเกิดของน้ำเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรน้ำมีองคประกอบอะไรเอสทโอมันก็เป็นน้ําทุกทีอะจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ไม่รู้มันจะเกิดน้ำขึ้นมาทุกทีได้อันนี้คือลักษณะของสูตรแล้วก็รับสั่งว่าเรานั้นย่อมเห็นหมู่สัตว์กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประนีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิพันธุน์สามได้ดีตกยาก ด้วยที่ไปจากสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้แล้วก็ย้อนกลับมาถึงเหตุให้รู้เหตุให้รู้เนี่ยเราอย่าลืมวาเราไม่มีเราไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นเราไม่ได้เดินยืนอยู่บนยอดตึกใบหยกสองเราไม่ได้มองไปทางทิศตะวันตก ในขณะที่ยืนบนบนบ น, บนตึกคือเราไม่ได้ยืนแล้วก็จบแล้วนะเพราะถ้าเรายืนแล้วเรามองนะเราเห็นอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าคนก็หนึ่งเขาไปยืนบนตึกประโยคสองคืเห็นไม่เห็นไม่รู้นะสมมติเอาอ่ะเพราะไม่เคคิดขึ้นไปแล้วมองไปทางทิศตะวันตกแล้วก็เห็นพระประฐมเจ ด, ดีเพราะงั้นยุดยืนจุ ด, จ, ดจุดที่ยืนทิศที่มองสิ่งที่เห็นในสัมพันธ์กัน ถ้าท่านลงมาบอกเราเราอยู่ข้างล่างเราก็ทำได้สองอย่างคือเชื่อตามที่ท่านบอกหรือขึ้นไปอยู่ในจุดเดียวกับที่ท่านเห็นแล้วมองไปในทิศที่ท่านมองแล้วจะเห็นหรือไม่เห็นก็ค่อยว่ากันแต่ข้อที่ควรกำหนดเอาไว้ส้นหนักอย่างหนึ่งนะว่าบนเส้นทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสองพันเกือบห0ร้อยปีแล้วนะฮะ เราเจอมาจริงๆเวลาเนี่ยพระพุทธศาสนามีอายุเท่าไหร่ล่ะ 2,548 นะบวกด้วย45จะหมายความว่า890 0เบอร์45ก็กลายเป็น93 2,593 ปีเกิดขึ้นในโลก พระอรหันต์ที่ท่านได้บรรลุตั้งแต่ปฐมตั้งตั้งแต่ชาญขึ้นไปตั้งแต่ยานขึ้นไปเนี่ยนะฮะพระยาบุคลที่บรรลุตั้งแต่ยานขึ้นไปไม่เคยมีว่าท่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าท่านรู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นอนุพุทธะดั้รับสั่งว่าลูก่อนพรามวิ ช, ชาที่สองนี่แลเราบรรลุแล้ว ในมัชิมยามแห่งราศีกาจัดวิชาเสียได้วิชาเกิดขึ้นวิชาก็เกิดขึ้นนะหมายความว่ามันก็เหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยความมืดกระดับแต่ว่าทรงพูดในลักษณะของของการดับอวิชาก่อนฮนะแล้วก็วิชาก็เกิดที่จริงวิชาเกิดก่อนนะวิชาต้องเกิดก่อน วิชาเกิดอวิชาก็ดับแสงสว่างเกิดความมืดก็ดับกำจัดความมืดเสียได้วิชาเกิดเนี่ยกำจัดความมืดเสียได้พอในชั้นแรกเนี่ยทรงรับสั่งถึงอวิชาคือกำจัดอวิชากำจัดอวิชาด้วยอะไรด้วยวิชาพอวิชามันเกิดอวิชาก็ดับจะทรงใช้คำว่ากำจัดความมืดเสียได้พอกาจัดความมืดได้ความสว่างก็เกิด เหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเปากิเลสล่าร้อนส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นเพราะธรรมะสามประการเนี่ยความไม่ประมาเรื่องใหญ่เลยใหญ่มากๆอัปปะมาจะทมเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหมดอยู่ที่คำเดียวคืออัปปะมาหรือสติก็ได้ เหมือนรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่มีสัตว์บกตัวใดที่มีรอยเท้าเหยียบรอยเท้าช้างไ ด, ด้มิตรพรกุศลธรรมทั้งปวงก็รวมลงที่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทที่ถือว่าสําคัญระดับสังคมนะฮะความประมาท ร, ระดับสังคมเนี่ยคือทํำยังไงว่า ไม่ประมาทในการละทุจริตทางกายทางวาจาทางใจพูดดีทําดีแล้วก็คิดดีสูตรง่ายๆเนะี่ยพูดได้ดีทําให้ดีคิดได้ดีดีมีความสุขเป็นผลดีมีความสงบเป็นผลมีปีติประมุขเป็นผลแล้วไม่ประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิ ทำความเหดนั่นถูกต้องตามตานองของธรรมปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะปัญหาใหญ่ในบ้านในเมืองเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราปรับสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้กระจายสมาธิไอ้แผ่ไปไม่ได้เนี่ยคือยังนึกถึงถึงเวยแหละเนี่ยนะแม้ในแวดวงศา ส, สนาเนี่ยจนวัดรา้างเนี่ยนะ วัดร้างนี่โอ้ยไม่ได้เลยพอจะรื้อฟื้นวัดร้างขึ้นมาเนี่ยมีการต่อต้านขัด ข, ดขวางเบียดเบียนกันสารพัดเลยอะไรกันนักหนาเป็นเรื่องที่น่าสลุนะฮะเรามาเล่นกับกิเลสทำยังไงจะแสดงฤทิศยาแสดงโลภะทัทง oh. ้งทั้ในพระเจ้าทรงแสดงวออิชาโลภะสมาปนโนสมาโนกิงปวิสติเนี่ย คนที่มากไปด้วยความปรารถนามากไปด้วยความโลภเนี่ยจะเป็นสมณะได้ยังไงจะสงบได้ยังไงเพราะใจมันไม่สงบเราสูญเสียเวลากีับเรื่องไร้สาระอย่างนี้เยอะเพราะอะไรเพราะใจมันมืดบอดด้วยอภิชาเราประมาทในการที่จะละทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเราพยายามปรับใจของตัวเองให้เป็นสมาธิธ เป็นบาปเป็นบาปเป็นบุญเป็นบุญนะพนใจพอสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันจะมีความชัดเจนในเรื่องกรรมในเรื่องผลของกรรมในเรื่องการดิสสัตทั้งหลายมีกรรมเป็นของกตนแล้วก็ไม่ชัดเจนในพระพุทธคุณใช้ศรัทธาได้ก็ใช้ไม่มีพลังปัญญาพอที่จะพิสูจน์ทดสอบเราก็เชื่อเราก็ใช้ศรัทธา คือจับตัวนี้ได้และวมันเดินได้แต่กางลองสังเกตว่าตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวที่จะชำระกรรมชำระกรรมให้เป็นกุศลเพราะว่าสอดส่องเลือกเฟ้นพิณิพิจนาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปตามกระแสของกุศลกรรมพอเดินไปตรงนั้นมันก็จะออกมาในรูปของกรรม จะดีขึ้นนะเป็นกุศลทางกายทางวาจาทางใจภูมิจิตจะสูงขภูมิธรรมจะสูงขึ้นภูมิจิตจะสูงขึ้นเพบาะที่จิตจะไปอุบัติจะสูงขึ้นเพราะนการหมุนวนในสังสารวัฏก็จะมีพพชาติประนีขึ้นไปเรื่อยๆเขเรียกว่าตบแต่งพพชาติที้มีความประณีตขึ้นไปในการโดยเสด็จรอ ย, อยู่คนบาศของพระพุทธเจ้าไปนะใกล้ามากยิ่งขึ้นใกล้ได้มากน้อยแค่ไหนเชิงไรก็ไม่รู้แต่ว่า เป็นเรื่องจะต้องพยายามให้สุจริตเกิดขึ้นที่กายที่ว่าจา่าที่ใจให้มากเท่าไรก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใช้ความพยายามไม่ว่าจะเป็นพระหรืราวาสก็ตามนะฮะทั้งฝังเท่าไรเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครั้งนี้ที่สุดธินี้ข้อความจเจริญงอกงามไพ่บูรณาธิมเดี๋ยวมีแล้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี